เสียงอ่านหนังสือใจใหม่งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมคนดีใจใหม่ใจที่จะรู้สึกว่าโลกทั้งใบต่างไปหมดปีใหม่ต้องรออีกบ้านใหม่ต้องซื้อเอาใจใหม่ต้องสร้างเองอ่านแล้วเห็นภาพใจมีกําลัง ใจคุณจะมีกาลังอ่านแล้วเห็นภาพใจมีรักใจคุณจะมีรักอ่านแล้วเห็นภาพใจมีสมาธิใจคุณจะมีสมาธิอ่านแล้วเห็นภาพใจมีสติใจคุณจะมีสติจากใจดังตรินปีใหม่เป็นโอกาสใหม่ได้มากบ้านใหม่ แสดงฐานะใหม่ได้ดีใจใหม่คือชีวิตใหม่ที่แท้คนส่วนใหญ่อยากเปลี่ยนใจของตัวเองคนขี้เกียจอยากขยันแบบไฟลุกท่วมตัวคนอกหักอยากเลิกคิดถึงคนในวันวานคนฟุ้งซ่านจัดอยากสงบเป็นสมาธิกับเขาบ้างคนเมอเก่งอยากมีสติว่องไวกับเขาที แต่ให้มีพันล้านก็ซื้อใจใหม่มาเปลี่ยนไม่ได้หนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้อ่านแล้วเกิดความรู้สึกทางใจที่แตกต่างดีที่สุดคือรู้สึกราวกับใจเปลี่ยนตามเดี๋ยวนั้นดีรองลงมาคือเกิดแรงบันดาลใจอยากเปลี่ยนใจให้ได้จริงหลังอ่านจบดีน้อยที่สุดคือเกิดความเข้าใจว่า หมายใจถึงเป็นแบบเก่าไม่ต่างไปเสียทีลงชื่อดังตรินติงหาคมพุทธศักราช2553อ่านบทความใหม่จากคุณดังตรินได้ทุกวันที่ facebook.com/dungtrin